รสแห่งธรรมชัานะซึ่งรสทั้งปวงน ะ, ะคำว่ารสทั้งปวงมันก็หมดไมว่ารสอะไรทั้งนั้นรสแห่งธรรมนี่เป็นยอดยึ่งว่าชนะรสทั้งปวง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 คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารสชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละแล้วเอารสที่ได้ทรงประจักษ์ในประเทศยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไถ่รถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับผี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงนิ้มรถหมดแล้วรถแห่งธรรมก็ให้ทรงยิ้มด้วยพระไถ่จึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถแห่งธรรมชนะึิงรถทั้งปวง คำว่ารถสทางธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้ได้บริจาคทานได้รับความเ อ, อื้ออียรู้สึกว่าใจมันทองขึ้น อ, อาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานอย่างถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าใจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด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 เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธตทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอันลาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจา้คเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตั้หีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้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 ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึ่งโดยลำดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยากก็สามารถถอดถอนจิเรศขั้นหยากออกได้ซึ่งเป็นเสี้ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเจียบแทงอยู่ภายใจิตใจแล้วปัญญาคันละเอียดก็สามารถถอดถอนจิเรศส่วนละเอียดอันเป็นเสี้ยนหนามส่วนละเอียดเสียดแทงจิตใจนั่นออกได้โดยลำดับลำดับจงกระทั่ง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 ผู้ใดริ้มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ่นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแหนธรรมจะนับถึงรถทั้งปวงควหมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายลรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทำผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจืดจาง ห่างเหินห่างเหินจากความสุขอันเป็นบร ม, มสุขตลอดไปแม้จะเป็นรสแห่งธรรมในขั้นส่องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะก็เป็นรสที่จะยังผู้ น, นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นนัน้ตลอดไปนี่ท่านเรียกทวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายได้แท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรสธาตอันหนึ่งระดับใจของเรา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 ให้รู้โทษของมันนะหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับทำแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก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 นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลำดับลาดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุเทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบตัติตามพระาวาาดคำตรัสสอนข้อพระองค์เจ้าเลยแต่พราะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าอรมณ์ ม, มสัสุไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้อ ง, องมาแยกแบ่งสรรปันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้ด้วยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจือปลโลกามิตรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี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 ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกนการทร่าสอนลุดาว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงเปล่าๆผลที่พึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทาการงาน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 การประพฤติธทมก็พฤติที่หัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับเด็กๆสู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทา่าขับขันต้องเก็บต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากให้คิดไปตามอาเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุโดยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่ละอย่างละอย่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น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 เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่จันนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามขอ้อยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบอมเพนตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันนังที่เราทั้งหลายมาผูกพันทรมานอดนอนผ่อนอาหาร ท ร, รมานกายท ร, รมานจิตใจของตนเพื่อเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วราระแต่ละวราวระหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมจึงเป็นวราระของจิตที่คิดออกด้ว ย, วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอมนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทํา ฝืนฝนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ําอำเราไม่เคยเห็นนมิหรือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝ น, นทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนแต่ทํามันก็เป็นเช่นนั้นฟ้าทํานั่นเป็นเหมือนกับฝนเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเอง เหียบแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทำแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภานาจิตใจแล้วมีความกระยิ่มในการพุทธปฏิบัติเอายากก็ทนลำบากก็พอใจขอให้ได้บาเพ็ญกุญงามความดีน้าความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ ตาประจับใจของเราและทุกจิตส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิ่โลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจับภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อเปเซตไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโล ก, โลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคําว่าพุทธังธรรมังสนังขะฉามนินี้ประการหนึ่งด้วยการประพฤติ ป, ปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประกันเนี่ยยิงชื่อยิงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา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 แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซนนี้จึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอํานาจศาสนาพอสมควรแล้วจึงควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพึงประพฤติปฏิบัติเลื่อยไปตายเมื่อไรก็าตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกผนอยู่ในสกลนกายนี่แหละถ้ายอยู่ที่ไหนาตายอยู่ที่สกลากายแตกที่โซนอากายไม่ได้หมายป่าช้าแต่แต่หมายถึงโซนอาการด้ยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมิตกวิจารณ์ทั้งเนฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนไหนทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องป่าช้าอันนี้ประจกัะจกษ์ใจการรู้แจ้งป่าชาป่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกุกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตาย mm. ให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้ mm. เป็นผู้มีความยืดหยุ่ ไม่สงสัยไม่ค า, าดน้่นคาดนี้อันเป็นการก่อควรจิตใจตนให้ยุ่งเปล่าๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมาชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทวงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลาดับๆดูที่ไหนก็สุขะโต